นวัต ก, การต่างตาครับผมสลาวุฒนะครับผมวางพูโทโธไวไปบอก่วงตาสลาวุฒ์นี่มันเนี่ยยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์คือเจ้าอารมณ์ไวมโหกิ่งกุญกิจขี่มโหขี่มโหกิ่งกุญกิดต้องหายใจมืดเรืองเบิกบานก่อนในระดับแรกในการฝึกฝนน่ย ต้องฝึกตัวนี้แก้ตัวนี้แล้วฝึกอยู่ตัวนี้ให้เป็นประจำให้ให้แก้ทางของจิตได้จะเป็นคนเจ้าอารมณ์จะเป็นคนขี้โมโหขี้งดหงิดขี้ลำคานก็รู้ ท, ทันมาเร็วๆแล้ ว, ลวก็ให้แจ่มใสแล้ะเลิกเบิกบานแจ่มใสล้วเลิกเบิกบานแจ่มใสล้วเลิกเบิกบานนะ<อ>ทำยังไงให้แก้ทางจิตก่อนนะ่ะอืต้องต้องถามก่อว่าต้องทำยงไงรู้ตัวไม่ต้องทำไงอ้าวจ ะ, จะทำยังไงให้ให้ ให้รู้ตัวทานดิรู้ตัวทานในเวลาที่จะคุณเหตุรำคาญไม่เจ้าอารมณ์เงี้ยเรารู้ตัวไหมก็รู้ตัวครับเวลามันมีอารมณ์โกรธเงี้ยครับเวลาโมโหเงี้ยมันไม่พอใจเงี้ยครับก็รู้ว่ามันก็มันจะไม่เป็นอารมณ์อไราเลยครับที่ที่ภาษาไทยภาษาคนไทยคนไทยก็จะใจขับบุตรของขึ้นน่ะครับใช่ไหมเออเวลาของจะขึ้นเนี่ยของของขึ้นแล้วในใจเราเนี่ยของขึ้นของขึ้นของมาพอมันจะขึ้นเนี่ยของจะขึ้นพอของจะขึ้นในใจเนี่ย ควาริคือจะมีอารมณ์ในใจภาษาคนไทยเรียกว่าของมันจะขึ้นแล้วไอ้ของมันจะขึ้นเนี่ยเรารู้ไหมรู้ครับรู้อันนี้ยพอเรารู้แล้วต้องรู้สึกตัวให้เร็วรู้ท่าทานให้เร็วแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอริยบทไปทําอย่างอื่นทันทีเปลี่ยนความสนใจเนี่ยต้องเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นทันทีเลยต้องเห็นซะก่อนนะว่ากําลังภายในใจเราเนี่ยของจะขึ้นแล้วคืออารมณ์จะขึ้นแล้วคือจะมโหแล้วจึงกุิดแล้วจะ จะโมโหแล้วจะว่าแล้วจะบ่นแล้วจะพูดว่าแล้วเนี่ยเราก็รู้ต้อททนให้เร็วปุ๊บเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจเป็นอย่างอื่นทันทีเลยเหตุที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายทันทีแล้วเปลี่ยนความตั้งใจเป็นอย่างอื่นทันทีไม่งั้นจะสะกดจิตพอรู้แล้วจะสะกดจิตขา้างในอึดอึดอึดอึดรอวันเราเบิดเวลาเดี๋ยวมันก็ระเบิดใส่คนอื่นเนี่ยเครียดมากอ่ะก็เรียกว่าเครียดสะสมะจนกระทั้งทนไม่ไหวอ่ะพอตอนหลังโดนกระทบปุ๊บกระทบ คราวนี้กระทบ น, น้อยแต่เราเก็บสะสมมานานมันกับระเบิดใส่เขาแรงเกินกว่าปกติร เ, รเราจะต้องแก้ไขตัวเราคือพอมันของมันจะขึ้นคือมันจะเกิดอามรมณ์พุ่งพานขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ต้อทันให้เร็วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เร็วเปลี่ยนความสน้ใจให้เร็วลุกไปทําอะไรเลยลุกไปอะไรไปหากินอะไรก็ได้ลุกไปลุกไปลุกไปเปิดตู้เย็นกินน้ําลุกไปทํากับข้าวลุกไปถูบ้านลุกไปซักผ้าลุกไปดูทีวี ทำเพลงขึ้นมาในใจก็ได้อืที่มันไม่เป็นเพลงร้องอะไรก็ได้เป็นทำเพลงขึ้นมาขึ้นมาให้มันเ ป, s. <S ป aken, ลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีให้มันรู้ตระทันได้เร็วแล้วเปลี่ยนทันทีเพื่อไม่ให้มันสะกดจิตไปข้างในแล้วก็ไม่ให้มันระเบิดอารมณ์ออกไปใส่คนอื่นเขาเราต้องรู้ตระทันปุ๊บพริกเลยพริกขยับกายพริกขยับกายเวลาเขาประชุมกันเนี่ยเวลาประชุมกันเครียดเครียดเวลาประชุมนั่งประชุมเครียดเคียดกันในห้องประชุมเนี่ย เวลาเขาเริ่มจะมีอารมณ์เกิดขึ้นหรือว่ามันเริ่มจะตึงเครียดมากเขาจะสังเกตไหมผู้เข้าประชุมแต่ละค น, นจะไม่ค่อยอยู่สุขอะเดี๋ยวก็นั่งกระดีกขาใต้โต๊ะมั่งเดี๋ยวก็เอามือเกาหัวบ้างเออเอามือไต้โต๊ะเล่นบ้างหมุนช้อนหมุนปากกาเคาะแก้วเออชงกาแฟหมุนเอากาแฟเอาแก้วช้อนหมุนในแก้วกาแฟเอาหลอดหมุนในแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่คือคนจะจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกไอเนี้ยมันทํา ความจริงไอ้ตัวนี้คื อ, าอการแก้ปัญหาทางใจที่มันทําให้ไม่ตึงเครียดโด ย, ยนี้เขาแก้ไปเลยโดยธรรมชาติมันเป็นการทุกคนเนี่ยรู้จักวิธีพวกเนี้ไปโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องมีใครสอนคือเวลาเขาขยับตัวเขาขยับตัวเขาเปลี่ยนไปทำโน่นทํานี่ด้วยเขาประชุมแล้วเขาก็บางทีกระดิกเท้าอยู่ใต้โตกระดิกเท้าอยู่ใต้โต๊ะบางทีเขาก็ เ อ, เอาช้อนหมุนแก้วกาแฟเล่นทีก็เอาเอาลอดหมุนในแก้วน้ําเล่นบางทีก็หมุนปากกาบางทีก็มือไต่โต๊ะเล่นเอามือไต่าขาตัวเองเล่นอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้ไม่เครียดถ้าเกิดขืนนั่งประชุมกันตาเป่งใส่กันแล้วกายก็ไม่ขยับแล้วตาเป่งใส่กันแป๊บเดียวเดี๋ยวลุกไปต่อยกันแหละเดี๋ยวลุกไปต่อยกันถ้ามันขยับตัวเล่นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ มันจะไม่ไม่เครียดมันจะไม่เครียดไม่ตึงไม่ตึงค่อยคอารมณ์ขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นพออารมณ์ขึ้นปุ๊บเราขยับตัวเลยอารมณ์ขึ้นของขึ้นน่ยจะมีอารมณ์ปุ๊บเราต้องอยู่ขยับตัวขยับตัวเปลี่ยนความตั้ใจทันทีขยับตัวเปลี่ยนความตัใจต้องรู้ท่าทันนะต้องรู้ท่อทันแล้วเปลี่ยนความตัใจไปอย่างอื่นรู้เท่าทันแล้วก็ขยับตัวบางคนบอกว่าเอจานอย่างนี้มันจะเดี๋ยวก็เป็นคนเหมือนคนไม่มีสมาธิเหมือนลิงไงลักลกลๆกเล็กไม่ใช่ลักอันเนี้ยคือถ้าเราจะไปนั่งงนิ่ กายนั่งนิ่งใจตั้งนิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ประชุมประชุมใส่กันอย่างเงี้ยพูดใส่กันเดี๋ยวก็ชกกันแหละเดี๋ยวชกกันเนะกายนั่งนิ่งตาเป่งใจก็ตั้งนิ่งใส่กันอย่างเงี้ยประชุมกันไปเถียงกันไปเที่ยวกันไปเดี๋ยวต่อยกันแหละเออถ้ามันรากายขยับก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กกแก๊กที่ญี่ปุ่นนะก็มีให้สอนให้หมุนอะไรหมุนปากกาเล่นหมุนตะเกียบหมุนปากกาอะไรเนี่ยเออหมุนปากกาหมุนตะเกียบอะไรเนี่ยบางคนก็เอาไอ้อะไรล่ะปากกาลูกลื่นเนี่ยเอาากดดตุประกแก๊๊๊้เนี่ยคือ นั่นแหละคือมันเปลี่ยนมันแ ค, แค่ว่ามันเปลี่ยนความความเครียดภายในใจไปได้โดยอัตโนมัติอันนี้มันคือคนมันทําอยู่แล้โดยธรรมชาติแท้จริงแต่ทีนี้หนูอาจจะผิดไม่ค่ะประเอิญประเอิญน้องเขามาปรึกษาหนูก็คิดว่าหนูแนะนําได้อะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกให้เขาพิจารณาถึงความเครียดของเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องพี่แกงเดียวใชต้อง ถ้ามันเกิดอารมณ์อย่างเงี้ยต้องพลิกอย่างเดียวเพราะว่ามันเกิดอารมณ์แรงแะมันไม่ทันแล้วต้องพลิกอย่างเดียวเลยมันเกิดอารมณ์แรงแ ะ, ะ, ะเดี๋ยวจะระเบิดแล้วมันต้องพลิกอย่างเดียวถ้าถ้าเราไปเก็บกดไว้บ่อยๆนะนานๆเข้าเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรรู้ไหมเออโรงพยาบาลจิตเวชอืต้องไปโรงพยาบา ล, บา ล, าาลบาจิตเวชเพราะว่ามันมันเครียดมากต้องไปโรงพยาบาลจิตเวชถ้าเก็บกดเอาไว้แต่ถ้าลุกไปขยับอยู่เรื่อยๆจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลจิตเวชก็ให้เป็นคนอารมณ์ดีเบิกบาน ทำเพลงขึ้นมาหัวเราะขึ้นมาก็ได้ทำเพลงขึ้นมาหัวเราะขึ้นมาสนุกสนานให้มันเบิกบานเบิกบานเบิกบานแจ่มใสลเริเบิกบานแจ่มใสลเริเบิกบานแต่ต้องเห็นอารมณ์ตัวเองเสก่อนนะไม่ใช่ว่าทำมันเหมือนเด็กแลดเด้งสาติ้งต้องแจ่มใสล่เริเบิกบานโดยอารมณ์ข้างในยังไม่ทันเห็นเลยว่าเกิดลมขึ้นในใจทำติ้งต้องไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ใช่เข้าใจไหมซาเคเอียดอซาเครดเอว่าว่า โอ้ยทำตรงนี้เข้าใจไหมัำตรงนี้ไปก่อนนะทำตรงนี้ให้ผ่านไปก่อนแล้วมาหาอะไรริงให้มันชัดๆเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันเป็นนิสัยก็เรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยคือกิเลสเครื่องดองสันดานหรือว่าความเคยตัวเคยใจมันข้ามภพข้ามชาติมาเลยนะพวกนี้ยสัสมจนข้ามภพข้ามชาติมาแล้วมันเป็นไอ้ตัวนี้ยอาสวะหรืออนุสัยเนี่ยเป็นพ่อแม่ของอวิชาเหมือนแม่ไก่ที่คอยผลิตไข่อวิชาอยู่เรื่อยๆอถ้าเราคืนตามใจเรื่อยๆเนี่ย ไอ้ตัวนี้มันผลิตไข่อวิชารให้เราส่งผมไม่เข้าเข้าไปไปวงจรปฏิจจสมุปบาทคือกิเลสตัณหาอุปทานภพชาติและความทุกข์อยู่เรื่อยๆเราเองอะ่ะเป็นความทุกข์ความเครียดเองความทุกข์ความเครียดเองเราส่งส่งให้ครอบครัวคนรอบข้างมีความทุกข์ความเครียดไปด้วยเลยเพราะว่าเราทุกข์เราเครียดเราเป็นคนเจ้าลมคนรอบข้างเราเลยมีความทุกข์ไปกับเราด้วยเครียดไปกับเราด้วยก็ช่ว่าเราทุกข์เราเครียดคนเดียวนะนี่ต้องพลิกนะ ต้องพลิกพลิกทันทีปลิกทันทีพอหนูจะหาเทือกเหมือนกับบริกรรมพุทโธอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกถึงคําหลวงตาว่าเอ้ยเหมือนตกต้นตาลอะไรอย่างเงี้ยก็แต่หนูก็ดูจิตตัวเองไปอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนไปตั้งตั้งหลักดูก่อนแล้วก็นึกถึงคํำดวงตามาเอ้ยมันเราเปเราเป็นคนจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ให้มันเกิดปิง๊งขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จังของจ๋าเนี่ยไม่ไม่ต้องไปใช้ตัวพุโทโธแล้วไม่ต้องใช้คําบริกรรมพุโทโธของจ๋าเนี่ยใช้จากประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงพอเราเริ่มต้นเข้าไปดูจิตโดยที่จิตมันยังไม่แสดงกริยาอาการอะไรให้ให้รู้ให้เห็นใช่ไหมพอมีตัวเราเริ่มต้นจะไปดูจิตอย่<ร>างเงี้ยเราก็ต้องรู้ทันทีแล้วว่า จิตเขายังไม่แสดงกยายอาการเลยเราเริ่มต้นจะไปดูจิตซะก่อน<ะ>แล้วอย่างเนี้ยไอ้ตัวเริ่มต้นจะไปดูจิตเนี่ยอย่างเนี้ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวหลงไม่ใจะเป็นสติอือมันจะเป็นสติเป็นตัวหลงปรุงแตง่งอเพราะว่าจิตมันยังไม่แสดงอาการเลยเราเริ่มต้นจะแสดงอาการเนี่ยเป็ น, นนะปสติซะก่อนแล้ว <ห emic? S 1> แล้วก็ไปดูจิ<ห>ตอตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวหลงหลงปรุงแตง่งหลงปรุงแต่งเราก็รู้ททันรู้ททันแล้วก็ แต่รู้ต่อทันก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะรู้ท่าทันแล้วเราก็เรียนรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งไอ้ตัวที่หลงไปมีสติส ia, ที่จะไปดูจิตโดยที่จิตมันยังไม่ไม่แสดงกิริยาการอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปรู้ไป ร, ไปรู้อาการของจิตตามธรรมชาติแต่นี้เราเนี่ยจิตยังไม่ได้แสดงกิริยาการอะไรขึ้นมาเลยเรา เ, เริ่มต้นจะไปดูจิตก่อนเนี้ยเราไห้เห็นในกิริยาอาการที่ไปเริ่มต้นดูจิตก่อนเนี้ยตัวนี้เนี่ยคือ เป็นสังขารปุงแต่งคือเป็นกิริยาการจิตที่จะต้องถูกรู้แล้วเราก็สักตะวันรุกิริยาการของจิต ท, ที่เริ่มต้นไปดูจิตนี้เนี่ยค่ะหนูรู้ที่หลวงตาบอกหมดเลยคือหนูตั้งแบบมันเหมือนกับว่างไงคะหลวงตาเอ๊ะมันไม่ได้นึกอะไรเอ๊ะเราต้องคอยไปตั้งดูไหมพอพอหลวงตาบอกให้มันเกิดขึ้นเองแต่มันยังไม่เกิดอะมันเราก็มีความรู้สึกเอ๊ะมันว่างแบบมันไม่ได้นึกอะไรจิต หรือเราอาจจะไม่ละเอียดเห็นว่ามันนึกแต่ก็มีความรู้สึกมันไม่ได้นึกอะไรเราก็เออก็คอยเลยคอยดูมันว่าเออมันจะเกิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นไอ้เนี้ยกิริยาการของจิตเนี้ยหรือพฤติกรรมของจิตเนี่ยที่มันมีทำลักษณะที่เริ่มต้นเข้าไปคอยดูจิตใช่ไหมเไหมใช่ไหมใช่ไหมใน่ไหมใชกไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไหมใช่ไหมใช่ไ่่ไหมมใช่่ไหมใชรูหมใช่ ให้เห็น<อ>ว่าเป็นปฏิกิริยาการ<ฆ>จิตฆฆที่ถูกรู้<ฆ>แต่เราจะจ้าใจผิดเราเอาไว้ไอ้ตัวที่เริ่มต้นจะไปดูจิตเนี่ยเป็นผู้รู้<ฆ>แท้จริงเนี่ยไอ้ตัวที่จิตมันยังไม่แสแดงกิริยาการให้เรารู้แล้วเราเริ่มต้นจะไปคอยดูจิตไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกิริยาการของจิตที่เริ่มต้นให้ให้ถูกรู้อเป็นสิ่งที่ถูกรู้เออเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้กิริยาการของจิตที่เริ่มต้นจะไปดูจิตเนี่ยแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้แล้วเราก็พอรู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้ค่ะ สักแต่ว่ารู้เขาออืสักแต่ว่าวรู้ไอตัวเนี้ยอสักแต่ว่ารู้ไอกิยาการที่เขา้าจะเข้าไปดูจิตค่ะเนี่ยถ้ารู้นะคะตาก็เห็นนะคะว่าเอมันจะเข้าไปดูอีกแล้วคือแต่เราก็เหมือนกับว่าไม่งั้นเราจะทําอะไรอะ่ะในขณะที่เดินอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้นะคะว่าเอ๊ะมันจะเข้าไปดูอีกแล้วมันจะเข้าไปดูอีกและแล้วหนูก็ นึกถึงคําหลวงตาสอนก็คือพิจารณาทำไปด้วยเอ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกเนี่ยเราไปเป็นผู้ดูแล้วเราเรามันต้องเกิดขึ้นเองเราถึงจะไปดูมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สอนตัวเองอยู่ในขณะที่ที่นั่นอยู่อะคะ่ะหลวงตาค่ะเราก็สอนตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไปแล้วก็เออไม่ใช่ที่หลวงตาบอกหลวมันก็จะพูดในใจเองว่าเออมันต้องเกิดขึ้นเอง ไม่ใช่เราไปคอยดูอย่างนี้อออพอพ อ, พอต่อจากนั้นเลยไงพอพอพอเรารู้ตัวแล้วเราจะมีตัวเะพูดบนตัวเราพูดต่อที่ที่เมื่อกี้จ๋าพูดบอกว่าพอเรารู้ตัวแล้วว่าอาการของจิตยังไม่เกิดเราก็คอยเข้าจะเข้าไปดูจิตนี่พอเราก็เห็นว่าไอ้กิริยาการที่เข้าไปคอยดูจิตเนี่ยมันเป็นสังขารปรงแต่งพอเรารู้ว่าไอ้ตัว กิริย า, าการของจิตที่มันคอยเข้าไปดูจิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผู้รู้แท้จริงมันเป็นอาการของจิตที่ถูกรู้ mm hmm. พอไปรู้แล้วเนี่ยไอ้ผู้รู้ตัวหลังเนี่ยมันก็จะพูดอะไรต่อเลยให้เรารู้อไอ้ที่ผู้รู้ตัวหลังนี่เลย mm hmm. ที่มันพูดต่อที่จะพลาดก็คือว่าพอไปรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยอาการของจิตมันยังไม่เกิดเลยทําไมเราคอยจะเข้าไปดูจิตเราคอยจะเข้าไปดูจิต อ้ยไอ้การิยาการที่เข้าไปดูจิตอาจารย์บอกว่ามันเป็นอาก า, ก, การที่ถูกรู้ไม่ใช่มันเป็นผู้รู้ อ, อ่าเอ๊เราทําไมคอยเข้าไปดูเรื่อยเลยแต่จาา๋าพลาดคือพอเราไปรู้ตัวไปรู้ตัวนั้นแล้วเนี่ยไปรู้ไอ้การิยาการที่เข้าไปคอยดูจิตเลยจะพูดบ่นอยู่ในใจอ่ะพูดอะไรต่อไม่ได้ดูตัวเองอื <ifi. S 1> ต้องดูตัวเองต่อไปเลยเห็นไอ้ดูตัวเองก็คือไม่มีผู้ดูหรอกมันไม่มีการิยาการของผู้ดูมีแต่อาการของตัวเราเนี่ยที่บ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดแต่อาการของผู้ดูไม่มี ตัว น, นี้พอจ๋าพาดก็คือว่าจ๋าก็ไปจะเป็นเล่นแต่ไอไอตัวที่คอยเข้าไปดูจิต oh. แล้วก็คอยรู้ตอบทานมันแล้วก็ hey, จะทําไง <Hey. S 2> เราคอยจะเข้าไปดูจิตด้วยเลยเรย <Hey. S 2> เราจานบอกว่าต้องให้กิยาการของจิตมันเกิดขึ้นก่อนแล้วยานตามหลังทำคือให้ความรู้เนี่ยมันรู้ตามหลังทำคือกิยาการของจิตที่มันเกิดขึ้นทุกกิยาการเนี่ยเรียกว่าธรรมอแล้วก็ยานตามหลังทำคือต้อง มันต้องตามหลังไอ้กิริยาการของจิตความรู้เนี่ยต้องตามหลังกิริยาการของจิตแล้วก็ก็สัตวรู้สัตวารู้แต่นี้เราคอยจะเข้าไปรู้ก่อนเลยเลยยังไม่ทันที่จะมีกิริยาการของจิตได้ถูกรู้เลยเราเนี่ยเข้าไปเป็นกิริยาการของจิตเป็นผู้รู้ซะแล้วไอ้นี่ยมันกลายเป็นอาการที่ถูกรู้แล้วก็บนตัวเราเองอยู่อย่างเงี้ยงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง มันจะคอยเข้าไปดูอีกแล้ว่าอย่างเงี้ไม่ให้นคอยเข้าไปดูหรือเราต้องพุทโธพูทโธพุทโธพุทโธว่ามันจะได้ไหมก็ต้องเข้าไปดูความจริงไม่ใช่นี่ผิดแลหละเราจะต้องมารู้ไอ้ตัวที่เราบ่นเนี่ยไอ้ตัวที่เราบ่นอะไรอยู่ในใจว่าทําไมมันชอบเข้าไปตั้งดูก่อนเลยอาการหังจิตยังไม่เกิดเลยทําไมจึงชอบไปตั้งดูก่อนมันต้องให้อาจารย์บอกว่าต้องให้อาการหองจิตมันเกิดก่อนแล้วก็ยานหรือความรู้เนี่ยมันตามหลังแล้วเราก็บ่นครับ เราก็บ่นบนงุ้งงิงงงงงงงงงบบัวที่บอกอย่างเงี้ทํ้าไม่จะไปอย่างเงี้หรือเราต้องไปทําอย่างเงี้ดีหรือว่าเราต้องพูโทรไว้ก่อนเลยมันจะต้องไปต้องมาคอยรู้ต่อทานเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไปพูดโทรไว้มันเสียท่าเลยเพราะว่าเราก็จะเลิกที่จะเรียนรู้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในขณะปัจจุบันนั่นเลยเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในปัจจุบันนั้นเลยแล้วก็เห็นตัวเราในบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดแล้วก็สักตะวัรู้ตัวเราที่บนไม่หยุดพูดไม่หยุดต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ชัดอนะชัดอนะชัดแล้ค่ะอาจารย์แต่ก็มีคนเคยถามเราปฏิบัติผิดโดยที่ว่าไม่ถามเราคือฟังตอนหนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติตอนหนึ่งคนละเรื่องกันผิดยังไงคืออา้าวอาจารย์อย่างเนี้ยพอเกิดของจะขึ้นให้รู้ตัวทัแล้วพิกขยับกายเปลี่ยนคติใจเปอย่างอื่นทันทีเอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์สอนบอกว่าคนโง่ชอบ หลีกนี้ปรากฏการในใจของตัวเองแต่คนฉลาดเนี่ยจะเห็นจิตที่ปรุงแต่งรู้ต่อทานจิตที่ปรุงแต่งแล้วก็จะหลีกนี้เอาตัวเองไปปรุงแต่งหลีกนี้จิตที่ปรุงแต่งของตัวเองเอ๊แต่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไปของจะขึ้นปุ๊บเรารู้ต่อทานแล้วเราปริกปุ๊บเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนความตั้งใจไปอื่นนี่ไม่ใช่เป็นคนโงห่หรอคือหลีกหนีปรากฏการในใจของตัวเองมันคนละขั้นตอนกัน ไอ้ขั้นตอนเนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าเปรียบเหมือนกับว่าเราขับรถไปอ่ะขั้นตอนที่ที่ที่เราเนี่ยพอของจะขึ้นหรือว่าอารมณ์จะขึ้นรุนแรงเงี้ยมันจะโมะโหแล้วเจ้าโกรธแล้วจะงุนหงิดแล้วเงี้ยเราก็รู้สัทธาปุ๊บเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนขในใจเป็นอย่างอื่นเลยวันนี้เช่นเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยขับรถไปความเร็วเนี่ยแล้ว เกิดมันรถมันสวนมาแล้วมันจะชนกันรถมันจะชนกันแล้วไอย้ยางเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้กรณีเช่นนี้มันเกิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือของจะขึ้นเนี่ยคือเหมือนกับรถมันจะชนกันแล้ววิธีที่เร็วที่สุดคือต้องแตะเบรกอย่างเร็วแล้วก็คือจะเหยียบเบรกตายอะแตะเบรกปุ๊บแล้วก็หลบหากหลบ ย, ยังไงอย่างรวดเร็วเบี่ยงหลบเบี่ยงหลบอย่างเรี้เลยคือเบรกตายก็ไม่ได้หากหลบไปทันทีมันก็อันตรายองเงี้ยต้องต้องแตะเบรก แต่เบรกปิดหนึ่งแล้วก็หักหลบก็ได้หรือว่าคนชํานาญก็หักหลบหักหลบไปได้เลยอย่างเงี้ยเขามีความชํานาญไม่แตะเบรกเลอถ้าแตะเบรกอาจจะอันตรายเขาก็หักหลบทันทีการที่าหักหลบทนันทีนี้ก็คือพอของจะขึ้นอยู่เกั น, กนรถจะชนแล้วรถจะชนกันแล้วเราก็รดสถานปุ๊พิกทันทีเลยเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนความตั้งใจไปอย่างอื่นเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนจิตให้ไปสนใจอย่างอื่นอันนี้ก็คือรถจะชนกันแล้วหรอหักหลบทนันทีหักหลบทันที S 1> <S 1> แต่กรณีที่รถมันไม่ได้ชนกันรถมันไม่เกิดการชนกันเหมือนกับเราขับรถเนสายสมารธรรมดาเนี่ยรถไม่ได้ชนกันแต่รถมันเยอะในบนถนนเยอะแค่นั้นเองเราก็ขับไปกรณีเช่นเนี้ยมันก็เหมือนกับมีรถเยอะคือมีอาการของในใจอะ่ะเกิดขึ้นในใจเยอะอะไเนี้ยเราจะหลบหนีมันอะไเนี้ยเราจะหลบหนีมันพอมันมีอาการของใจต่าง ست, ๆเนี่ยอาการใจสบายอาการใจไม่สบายอาการใจสบา ย, อ า, าบายอาการใจไม่สบายอย่างเนี้ย เราจะไปหลบหนีอาการนี้ไปหาอาการที่ใจสบายพอมีอาการใจไม่สบายมันแน่นมันอึดอัดมันไม่สบายใจแล้วก็อย่าหลบหนีไปหาอาการที่สบายใจอันนี้อันตรายแบบนี้อันตรายไม่เหมือนกันนะคนฟังแล้วฟังคนละตอนกันไม่ไม่เข้าใจไอตอนที่มัน กระทบในปัจจุบันนั่นกระทบกับอะไรในปัจจุบันแล้วของมันขึ้นเนี่ยกระทบล้มชนกันแล้วตอนนั้นนจะชนกันแล้วกระทบกันแล้วเนี่ยกระทบต้องว่ากันไปแล้วเห็นกันไปแล้วกระทบไปไปแล้วว่ากันไปแล้วเนี่ยมันก็พูดกันไปแล้วพูดใส่กันไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ของมันจะขึ้นหรือว่าเขาเห็นเขาเอาของมากระแทกใส่หน้าอย่างเงี้ยของมันจะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยไอ้กรณี้มันล้มจะชนกันแล้วเนี่ยอกรณีเช่นนี้มันต้องหักหลบอย่างรวดเร็วเลยมัต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี้ต้องพลิกร่างกายปุ๊บเปลี่ยนความตั้งใจ แต่กรณีที่จิตใจมันรถไม่ได้ชนกันใครไม่ได้ก็ไม่นมากระแทกอะไรเราก็ไม่ได้มาพูดกระแทกใส่หน้าไม่ได้เของมากระแทกใส่หน้าอะไรเงี้ยเราก็มีแต่ปัญหาภายในใจของเราเองใจไม่สบายใจไม่สบายชอบพูดอย่างเงี้ยมันใจไม่สบายใจไม่สบายแล้วพยายามจะไปหาทางทําอะไรให้ใจมันสบายไม่ไปจะทํากรณีอะไรก็ตามไปหาทางให้ใจมัน สบายอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไปยังไงไม่ไปยังไงสบายเดี๋ยวเสร็จมันก็ไปสบายเพราะมันเป็นของกู้กันเน่ยเดี๋ยวสบายเสร็จก็ไม่สบายไม่สบายเสร็จเราพลิกไปหาความสบายเดี๋ยวมันก็ไม่สบายมันก็จะหนีไปยังไงมันมันไม่แก้สองหน้าสบายเดี๋ยวก็ไม่สบายสบายเดี๋ยวก็ไม่สบายมันก็วนไปวนมาอยู่แค่เนี้ยเหมือนกับกลางคืนกลางวันก็คือกลางวันแล้วจะนีไปไหนมันก็กรณีเช่นนี้มันไม่ได้ไปเกิดรถมันชนกัน่ะไม่ได้มีใครมาพูดว่าใส่หน้าไมมีใครมันกระแทกของใส่หน้าอะไรเงี้ยเราก็ มีแต่อาการใจเราไม่สบายอย่างเงี้ยเราอย่าหนีพอมีอาการใจไม่สบายหรืออาการใจสบายเนี่ยถือเป็นเวทนาขันมันเป็นเวทนาขันคือถ้าสบายใจมันก็ไปสู่เวทนาขันไม่สบายใจมันก็ไปทุกขเวทนาขันมันเป็นขันห้าเราหนีมันไม่ได้นี่เป็นขันห้ากรณีเช่นเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันเกิดจากอของมันจะขึ้นแล้วใครมากระแทกใส่หน้ามาพูดใส่หน้าแล้วอันนี้ของมันมันเกิดจากเวทนาขันธรรมดาที่เดี๋ยวก็สบายใจไม่สบายใจอย่างเงี้ยอย่าหนี อย่าหนีจากอาการที่ไม่สบายใจไปหาความสบายใจวิธีปฏิบัติอันนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากทุกได้คือเข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้รู้ว่าถามใจตัวเองว่าใครเป็นคนพ้นผู้รู้อาการรู้ว่าเราสบายใจพอเราไม่สบายใจใครเป็นผู้รู้ว่าเราไม่สบายใจคนอื่นรู้ไหมว่าภายในใจเราเนี่ยไม่สบายใจคนอื่นรู้ไหมว่าภายในใจเรากำลังสบายใจ ใครจะมารู้ดีได้เท่ากับตัวเราใช่ไหมจนมีค uh ํำภาษาพูดว nah uh ่าใครจะรู้ในใจเราเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยรู้ตัวเราเองใครจะรู้ตัวเราเองอ่ะได้ดีกว่าตัวเรารู้ตัวเราเองใช่ไหมคนอื่นมันไม่รู้ตัวเราได้ดีกว่าตัวเราในรู้ตัวเราเองว่าตอนนี้ภายในจิตใจเราเป็นยังไงตอนนี้มันกรณีเช่นนี้มันไม่ได้ถูกกระทบอะไรทางภายนอกแต่มันเกิดจากภายในจิตใจของเราเองอย่าหนีอันนี้อย่าหนีถ้าเราหลบหนีอาการอย่างนี้เรียกว่าคนโง่ คนโง่ชอบหลีกหนีอาการหลีกนี้ปรากฏการภายในใจเนี่ยคือคนโง่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรกระทบมาจากภายนอกแต่มันเกิดมาจากสภาวะภายในจิตใจของเราเองอันนี้จะหนีเราจะหนีได้ยังไงก็มันก็มันเป็นสภาวะภายในจิตใจของเราเองจะไปนหนียังไงอันเนี้วิธีแก้มีวิธีเดียวคือเราอย่าปฏิบัติผิดโดยการชอบปฏิบัติกันที่ผิดนะเกือบร้อยเปอร์เซนเนี่ยคือจะไปรู้อาการเฉยๆพยายามฝึกให้ มีอาการเลยเกิดขึ้นให้ไป็นรู้อาการเฉยๆไม่ว่าอาการไม่สบายใจก็ไปให้รู้อาการไม่สบายใจเฉยๆอาการสบายใจก็พยายามให้ไปรู้อาการสบายใจเฉยๆให้พยายามไป็นรู้อาการเฉยๆอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดอันนี้ซื่อบื้อเลยการคนโง่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะอโอ้โหว่าแรงมากเลยว่าปฏิบัติแบบเนี้โง่โง่งดักดานเลยนะซื่อบื้อซื่อบื้อโง่ดักดา น, นไปรู้อาการไปรู้อาการเฉยๆพอใจไม่สบายก็รู้เฉยๆทาไปรู้เฉย พอใ จ, ใจสบายใจก็รู้นเฉยๆทําเป็นรู้นเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็เออเป็นคนเออทําเป็นใจไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่างนั้นแหะชอบฝักฝึกกันอย่างเงี้ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวที่ถูกอันนี้มีวิธีเดียวคือพอมีอาการสบายใจหรือไม่สบายใจทุกขณะปัจจุบันเดยบก็สลับไปสลับมาเพราะมันเป็นเวทพอมันสุขสบายใจก็เป็นสุขเวทนาขันไม่สบายใจมันก็เป็นทุกขเวทนาขันอันเนี้ยมีวิธีแก้วิธีเดียวต้อง ีต้องจําไว้ให้แม่นเลยคือให้ถามใจตัวเองว่าใครเป็นผู้รู้อาการให้ถามใจตัวเองเลยเพอมีอาการแต่ละอาการเกิดขึ้นในใจเนี่ยให้ถามว่าใครเป็นผู้รู้อาการก็จะตอบไม่ได้ทุกคนเลยว่าใครเป็นคนรู้เราสิเป็นคนรู้ฮะเราเป็นคนรู้และเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะบน่นจะพูดจะวิเคราะห์งิงง่งเงิ่งเงงเงบน่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวในใจ ก็จะพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวกับอาการบ้าไปทีก็ไปบ่นป็นอย่างอื่นบ้งไปบ่นอย่างอื่นไปงุงิงงุงิงงุงิงงงิงงงิงงุ่งเนี่ยเราก็ไปบ่นไปพูดด้วยบ่นอยู่ในใจงุงิงงงิงงงิให้มาเห็นไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นพูดที่มันบ่นเนี่ยไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยที่มันพูดผู้บ่นเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยที่บอกว่าตัวเราเนี่ยที่ไปรู้อาการหรือว่าไปรู้เห็นอะไรภายนอกที่มันเด็กเขาไม่ได้มากระทบกับเราแรงๆนะไปรู้เห็นอะไรที่เรามันถูกใจไม่ถูกใจภายนอกเราก็พูดเราก็บ่่นนออยูใะ ใครทําอะไรถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยไม่ได้มาเรื่องมากระทบแรงๆนะคือเราไปเห็นอะไรที่มันไม่ไม่ไม่ถูกตาไม่ถูกหูไม่ถูกไม่ถูกปากไม่ถูกจมูกไม่ถูกกายเราเนี่ยไม่ถูกกายมาสัมผัสที่มาอากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปอะไรเนี่ยใครเคนรู้ก็เราอยู่เนี่ยเป็นคนรู้รู้ร้อนรู้หนาวรู้ออนรู้แข็งไปเห็นอะไรที่เขาทาอะไรมันถูกใจมั้งไม่ถูกใจมั้งอันเนี้ยไม่ได้ไปกระทบกับเราโดยตรงแต่เราไปเห็นแล้วเราผู้เห็นก็ภาคภาคอยู่ในใจพูดอยู่ในใจ ไอ้ตัวเนี้ยเราต้องสังเกตเห็นมันตลอดเวลาไอ้กรณีเช่นนี้ไม่ได้เป็นขนาดที่แบบกระทบอย่างรุนแรงกระทบกับตัวเราโดยตรงแต่เราไปเห็นเขาเข้าเราไปได้ยินเขาเข้าเราไปได้กลิ่นเข้าเราไปกินอะไรก็แล้วก็ต่างกายเราไปสัมผัสอะไรเข้าหรือมีอาการอะไรภายในใจเข้าเราเกิดความพอใจไม่พอใจสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้มากระทบเราโดยตรงแต่เราไปเห็นไปไปสัมผัสแล้วเราเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาได้ตรงเราก็บ่นเข้ามาบ่นในใจพูดในใจพอใจก็บ่นนะไม่พอใจก็พูดนะ พอใจก็พูดอยู่ในใจไม่พอใจก็พูดอยู่ในใจเราต้องฝึกจนเป็นอัตโนมัติเลยคือไม่ว่าเราจะรู้จะเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้อาการภายในใจก็เรียกว่าธรรมอารมณ์เราอย่าไปสดให้ความสนใจกับสิ่งที่ถูกรู้นี่จะต้องแบบว่าหลักการอันเนี้ยจะต้องมั่นคงภายในจิตใจเราเลยว่า ขนาดที่เรากระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วก็ทำอารมณ์มันคืออาการของใจในทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจเราอย่าให้ความสนใจกับสิ่งที่ถูกรู้เป็นอันขาดเลยให้มีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ประตูใจละที่ประตูใจปล่อยวางที่ประตูใจ ให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจไปวางอยู่ที่ใจให้ยืนพื้นอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาทุกขณะปัจจุบันใจก็คือยังไงสังเกตได้ยังไงว่าเราจะสังเกตตรงหายใจเพราะใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยก็สังเกตตรงใครเป็นคนรู้อ่ะใครเป็นคนรู้ลูกใครเป็นคนรู้เสียงใครเป็นคนรู้กลิ่นใครเป็นคนรู้รสใครเป็นคนรู้สิ่งที่มาสัมผัสแล้วใครเป็นคนรู้อาการของใจลรอใครเป็นคนรู้ ก็เราเนี่ยเป็นคนรู้แล้วเราก็บ่นเองพูดเองบ่นเองพูดเองอยู่ในใจอ่ะเนี่ยรู้ไอ้ตรงนี้รู้ที่ว่าเรารู้แล้วเราก็บ่นเองพูดเองบ่นเองพูดเองความจริงไอ้ที่เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเรามันเป็นจิตหรือวิญญาณ น, นักขันในขันที่ห้าไปรู้แล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อวิญ ญ, ญาณตัวใหม่ให้เกิดบรรลุต่อไปแล้วมันไอ้วิญ ญ, ญาณเนี่ยเมื่อมันรู้ปุ๊บมันก็ทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารที่เขาเรียกว่าเจตสิกแล้วมันก็จะพูดได้บ่นได้ทั้งรู้ทั้งพูดทั้งบ่นน้รดใใจเาี คือบางทีมันเป็นลัานากษณะของการวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิเคราะห์วิจารณวิจัยแต่มันเหมือนกับมันพูดมันบ่นอยู่คนเดียวอยู่ในใจเนี่ยเห็นด้วยก็พูดเห็นไม่เห็นด้วยก็พูดเห็นด้วยก็พูดไม่เห็นด้วยก็พูดถูกใจมันก็พูดไม่ถูกใจก็พูดอยู่ในใจเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยให้เราเห็นตัวเนี้ยต้องยืนพื้นเห็นไอ้ตัวเนี้ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางอยู่ที่ใจเนี่ยให้ยืนพื้นในตรงนี้อย่าไปสนใจสิ like ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบัันนนนนมมจจะะไ่พาาดตรรงเเเเีี้้ยยวก็็ห ไอ้ตัวสังขารที่แท้จริงคือไอ้ตัวจิตวิญญาณขันเนี่ยที่มันไปปรุงแต่งไปรู้อะไรแล้วมันก็ปรุงแต่งรู้อะไรแล้วก็ปรุงแต่งรู้อะไรก็ปรุงแต่งเนี่ยเราจะเห็นจิตวิญญาณขันตัวเนี้จริงๆแล้วพอเรามาเห็นไอ้ไอ้ตัวจิตวิญญาณขันตัวในเนี่ยตัวในจริงๆที่มันตัวผู้รู้เนี่ยเราไม่เห็นพบผู้รู้ที่มันปรุงแต่งได้พบผู้รู้ที่มันปรุงแต่งได้คือจิตวิญญาณขันเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งเราไปรู้จิตวิญญาณขันเนี่ยตัวนี้ที่ปรุงแต่งเนี่ยแล้วเราสักตะวารู้มัน สักตะวรูว้ไอ้ตัวจิตวิญญาณขันในตัวเราที่พูดที่บน่นที่วิเคราะห์วิจัยที่มันง้มเง้มเง้มเง้มเง้มเง้มเงมงงมอยู่ในในในใจเราพูดอยู่ทั้งวันเนี่ยเราไปสักตวัรู้เนี่ยไอ้จิตวิญญาณาขันเนี่ยมันพูดได้บ่นได้ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราสักตะวันรู้รเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวสักตะวันรู้เนี่ยไอ้ตัวสักตวัรู้เนี่ยเนี่ไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นใจที่ว่างเปล่าที่มันไม่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ได้เกิดการเคลื่อนไหวใดๆเลยแล้วมันก็ปล่อยให้ทุกอย่่างใในนจเีย มันปรุงแต่งของมันไปตามธรรมชาติไอ้ที่มันมันเห็นว่าภายในจิตใจเราเนี่ยมันบางทีมันเหมือนกับไปคิดอยู่ในสมองแต่ใจมันไม่ได้คิดอะไรบางครั้งมันเหมือนกับความคิดอยู่ในสมองมันตึงๆอยู่ตั้งแต่คอขึ้นไปถึงหัวเนี่ยมันตึงๆอยู่ตั้งแต่หน้าอกขึ้นไปที่คอถึงหัวเนี่ยมันตึงๆคือมันพูดไม่หยุดมันรู้สึกว่ามันตึงๆบางทีมันไม่ไม่ไม่ลักษณะเหมือนกันบ่นการคิดการพูดเนี่ย มันบอกไม่ออกเลยว่ามันคือความคิดหรือเปล่ามันเหมือนกับว่ามันไม่จาได้เป็นความคิดเลยแต่มันเหมือนกับมันรู้สึกตึงๆหนักๆไงก็ไม่รู้ในในหัวในในอกนั่ะแหละจาที่มันไม่มันพูดไม่ออกเป็นคําพูดว่ามันเป็นภาษาสมมติมันอากเรียกมันเรียกว่าอะไรแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนพูดได้ข้างในเนี่ยแล้วมันทําให้ตึงๆเครียดๆหนักๆทุบๆอยู่ในในใจในหัวสมองเนี่ยแต่ถ้าไม่มีใครมายึดถือ ไอ้อากาศเหล่าเนี้ยไอ้ผู้ที่ไม่เข้ามายึดถือเนี่ยมันจะกลายเป็นใจที่ว่างเปล่าจะกิริอาการใดๆเลยตัวมันเนี่ยไม่มีอาการหนักไม่มีอาการทึบไม่มีการพูดไม่มีการบ่นไม่มีการคิดติกตองมันไม่จับมันไม่โตมันไอ้ตัวมันที่ว่ามันเหมือนกับเป็นอากาศไปเลยเหมือนกับเป็นอากาศที่ที่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเลยนะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่เป็นความอากาศที่อยู่ต่อหน้าเราที่จับต้องไม่ได้เนี่ย มันไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างด้วยคือมันมันเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีตัวตนไม่มีอาการไม่มีกิยาการของผู้รู้อะไรเลยมันมีแต่อาการที่เกิดขึ้นพูดบน่น จ, จึกจักจุกจจุกจกตุ๊กตตุ๊กตกตุกตอกจุกจุกจุกจุกจุกจกจนไม่มันไม่ออกว่าเป็นว่าความคิดหรือว่าเป็นอารมณ์อะไรเลยแต่มันขณะที่มันขณะที่มัน ภายในจิตใจของเราเนี่ยภายในร่างกายของเรามันมันมันมีอาการหนักๆตึงๆมีตัวพูดตัวบ่นตัวอะไรมาแล้วมันมันเหมือนกับพูดได้บ่นได้เหมือนมีอะไรตัวอะไรไต่อยู่ในในกายในใจเราเนี่ยมันไม่ใช่ไตผิวหนังนะคือเหมือนในใจเรามันมีอะไรไต่ได้จุ๊บจุ๊ๆจุ๊บจให้น่าลำคาญเนี่ยแต่ถ้าใจเราไม่ไปลำคาญมันใจมันจะกลายเป็นความว่างเปล่าไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยจุ๊บมมันไจุ๊้จุ๊บจุ๊ะเพราะมันเป็นขันบมันเป็นนขัไม่ได้ี้ย เพราะว่าการยึดถือตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นไงไม่มีการเกิดขึ้นถ้ามีการไปยึดถืออะไรขึ้นถึงจะเกิดกิเลสในความยึดถือยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันยังไอตัวพูดไม่หยุดมันยังมีอยู่อย่ตลอดเวลาเลยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปยึดถือมันอะเพราะว่าถ้าเราไปยึดถือไอตัวที่พูดไม่หยุดคือเราไปหงุดหงิดมันไปหงุดหงิดไอตัวที่พูดไม่หยุดนี่ถึงจะเป็นกิเลสแต่เราไม่ได้ไปหงุดหงิดกับไอตัวที่พูดไม่หยุดภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลส แต่แม้เราเนี่ยไม่ไม่เข้าไปยึดถือมันเราเพิ่งจะไปหงุดหงิดมันแล้วก็ไม่หลงไปตามมันเนี่ยไอตัวพูดมันก็พูดไม่หยุดในใจเราเนี่ยมันเป็นขันห้ามมันไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดบนหยุดพูดหยุดหยุดตึงตึงหนักหนักตื้อตื้อภายในร่างกายเราภายในหัวเราเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดแต่ใจมันมีความว่างเปล่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งใจมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างแต่มันเหมือนกับเป็นเป็นอากาศมันก็เป็นอากาศสัทธาเป็นจักรวาลไปเป็นความว่างไปเลยมันไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่างภายในใจเป็นความไม่ปรากฏอะไร เพราะเนี่มันจะไม่มีลักษณะอย่างที่ทจ่าพูดหรว่ามันจะมีลักษณะของเราก็าไปดูจิตซก่อนอะไมันไม่มีเพราะว่ากิริยาการของไอ้ที่การกิริยาการที่จะเข้าไปดูเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีใจไ ม, ไม่มีตัวใจจะเข้าไปดูมันไม่มีตัวใจจะเข้าไปดูมันไม่มีกิริยาการที่ไปดูเลยแต่มันมันรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดอยู่ใน ในตัวมันที่ตัวมันเนี่ยตัวมันจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าใจเรียกว่าพุท ธ, ธะเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าธรรมธาตเรียกว่าสุญญตาธาตมีสมมติสมมุติอีกเยอะมากเลยคือมันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในมันคือมันเนี่ยคือความไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นอสังคตธาตเป็นสุญญตาธาตไม่ปรากฏอะไรเลยแต่กับมันมีความรู้ไอ้รู้นี่ก็ไม่มีอาการด้วยนะมีแต่มีความรู้ว่ามีอาการอะไรเนี่ยมันเหมือน ๆอยู่ในอยู่ในกายในใจเรานี่แน่จะไม่รู้ไม่มีภาษาพูดว่ามันเรียกว่าอะไรจนฉันใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดานี่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาด้วยนะคือเป็นธรรมดาที่มันต้องเกิดไงเราทํำลายมันไม่ได้ยังไม่ตายอันนี้เป็นขันห้าเลยเรียกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาหรือว่าเป็นธรรมดาที่มันต้องเกิดมาเพราะเป็นขันห้ายังไม่ตายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับซะสินี่ตรงนี้สาคัญมันไม่ใช่ว่ามีแต่สิ่งที่เกิดดับแต่ไอ้สิ่งที่เกิดดับเนี่ยม่นเกิดดับในความไม่เกิดดับมันมีความไม่เกิดดับอีกมันมีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกพุทธะ เรียกว่าสุญญตาธาตุเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าธรรมธาตุเรียกอมตะธาตุอมตธรรมเรียกว่าอะไรเยอะมากเลยหลายชื่อมหาสุญญตาก็เรียกที่เจ้ากล่าวว่าพระโสดาบันจะรู้สึกถึงใจถึงใจนะ จะถึงใจเลยว่ารู้สึกถึงใจเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นคือเป็นขันธ์ห้าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้นี่พระโสดาบันเห็นอย่างนี้แต่พระอรหันต์เห็นว่าสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดนั้นเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับและความไม่เกิดดับนั้นเป็นอมะตะ เป็นอมตะไม่ไม่ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับไม่มีใครทําลายไม่ได้ใจของพระลาหนทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นมันจึงไม่มีใครเราไปดูอาการมันมีแต่อาการเกิดดับอยู่ในในในสิ่งที่ไม่เกิดดับมันจึงไม่มีคนไปไล่ดูอาการไงไม่มีใครไปไล่ดูอาการที่เกิดดับ มันมีแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับไม่อยู่แค่นี้จ้ะเข้าใจไหมเนี่ยอธิบายมาเลยลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปเพื่อเพื่ อ, อคนอื่นด้วยแต่เราก็เพื่อให้เราเข้าใจทางไว้ก่อนเราก็ฝึกอย่างที่ที่สอนไปนะคือของเราเนี่ยมันมีอาการอารมณ์ของจะขึ้นใช่ไหมพอมีอารมณ์ของจะขึ้นจะมีอาการโกรธขึ้นมาเนี่ยกรณีแค่นขั้นเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบโดยตรงกับเราแล้วเราก็กระทบแรง หรือว่ามันกระทบปุ๊บมันถูกกับจริตนิสัยเราสันดานเราสันดานเดิมเราเนี่ยเป็นคนของขึ้นง่ายปุ๊บพอสิ่งใดมกากระทบถูกกับจริตนิสัยเรามันก็เลยของขึ้นง่ายอันเนี้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนตรงเนี้ยคือเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนความตนใจไปอย่างอื่นอันนี้ยต้องเปลี่ยนทันทีให้เร็วที่สุดทําเพลงขึ้นมาได้แล้วเพลงขึ้นมาก็ได้ให้เร็วที่สุดเลยแล้วก็พอเราเคลื่อนไหวไปแล้วมันก็ไปคิดอีกแต่เนี้ยตอนแรมกมันกระทบต่างตาหูใช่ไหมทําให้เราโมาโหแต่เราพอเคลื่อนไหวปุ๊บเปลจจี่ย นิสัยไม่ดีมันชอบพูดแบบนี้อีกแล้วเช่นอย่างเงี้ยเราไอ้นี่มันน่าโมโหนะเอเเยรากลับไปไปกระทบทางความคิดต่ออีกอ่ะแต่แรกกระทบทางตากับทางหูแล้วพอเราเคลื่อนไหวไปปุ๊บไปกระทบทางความคิดเราก็อืไปกระทบทางความคิดต่อพอกระทบความความคิดต่อปุ๊บคิดกันไปอีกไอ้นี่นิสัยไม่ดีเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็รู้ตระทันอีกอ่ะรู้ตทันความคิดนั้นรู้ทันอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งที่สองเราก็ขยับอีกพอขยับตัวไปแล้วมันก็จะคิดต่ออีก คิดต่ออีกมีอารมณ์อีกอีกเราเก็ขยับตัวอีกมันคิดต่ออีกเอ้าขยับตัวอีกมันคิดต่อขึ้นมันจะมีอารมณ์อีกเราเขยับตัวอีกอันเนี้ยมันมันเป็นความต่อเนื่องมาจากอารมณ์ที่กระทบครั้งแรกเราต้องขยับขยับขยับขยับขยับขยับขยับรู้สึกตัวไปบางทีต้องเป็นสิบยี่สิบผลร้อยผลแล้วมันถึงจะค่อยๆจางไปจางไปจางไปแล้วแล้วกลับมาเป็นปกติมีคนว่าบอกว่านาอาจารย์บอกว่ารู้แต่ทเปรี่ยนความตั้งใจอย่างอื่นแล้วมันจะหาย เขาทำกี่ครั้งครั้งเดียวเอ้ยครั้งเดียวอะไรแล้วมันต้องค่อยๆจางไปจางไปจางไปจางไปจางไปจางไปจางไปจางไเข้าใจไหมล่ะแล้วต่อไปเนี่ยพอเราเก่งแล้วเนี่ยคืออารมณ์พวกเนี้มันจะค่อยๆค่อยๆน้อยลงมันจะค่อยมันจะค่อยไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อใจมันค่อยๆเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงแต่ว่าจากคนที่ใจร้อนก็กายคนใจเย็นได้มันคนละขั้นตอนกันนะเข้าใจให้ดี <c oughs> คือคือที่ฟังมาคือถ้าแรงเนี่ยถ้าเหมือนกับรถจะชนกันอย่างที่หลวงตาบอกอะ่ะคือต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้ามันเกิดคิดขึ้นมาในใจก็ต้องเข้าไปหาตัวผู้รู้ถูกต้องแล้วถูกต้องมีสองขั้นตอนอคือถ้ายัางอ่อนๆอยู่ก็ไปหาผู้รู้ อ, อ่าคุณจบขั้นตอนนะฟังต้องต้องให้มันชัดเจนเอสองขั้นตอนชัดแล้วนะ